จำไว้ให้เล็กในกลวงหัวใจนะนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนี่ถ้าก็รมฐานมาทะเลาะกันเราไม่บาดทะลาเราไม่อยากพบอยากเห็นยิ่งเราเป็นอาการอยู่แล้วเราสอนหนูสอนเพื่อนก็สอนเมื่อโดยธรรมสอนด้วยเหตุผลทุกแง่ทุกมุมจนจะไม่มีอะไรสอนเพื่อนแล้วเรื่องทุกอย่างก็สิ่งที่เป็นมานี้บอกไว้หมดสอนไว้หมดแล้ว มันเป็นึ้นได้ต่อหน้าต่อตาไม่มีความละอายทีเห็นไม่ละอายดูเอาอย่างนั้นผจะอายอะไรมันเป็นข้าศึกของธรรมนี่ถามอธิษฐานัห็นไหมอาขุนเกิดขึ้นข่หลังแล้วไม่จะพูดอะไรเลยมาออกคันทือออกจกวดจะอยู่กันง่ายเลี่ยงเป็นงามเปรีลายเ่าวงคณะนั่นเนจะือของหยิบขอี ใครจะถูกหรือผิดถ้าลงในทะเลาะกันแล้วนั่นแหะตัวผิดถ้ายังมีฝ่ายถูกอยู่ฝ่ายดีอยู่ไม่จะไม่ทะเลาะตรงนี้ตรงสำคัญใครก็เสียดายใครกูอวดของใครนั่นแหละมันกัดกันตรงนั้นแ่ะในทังพุทธการก็มีถ้าทมก็ะถึกกับพระวินันทอนไอ น, นั่นไม่อยู่ในวัดกับพระพุทธเจ้า ต่างองค์อยู่นอกวัดอยู่คนสํานักมีบริษัทบริวารองค์ละห้าร้อยกว่าขึ้นไปแล้วก็อาจารย์คือทํทมามกถึงนั้นไปถ่ายส่วมน้ำาะรกระบอกล้างส่วมแล้วเหลือน้ำมาไว้พระวิญญาณพรไปถ่ายก็คือเนน้ำที่เหลือ ถ้ามาก็ะทึกกหมายถึง น, นักเทศน์นั่นเองพระไตรตรองหมายถึงผู้ทรงพระวินยัยแตกฉนานในวินยัยพร ะ, ระวินัยทอนไปถ่ายก็เห็นน้ำเหลือเล้วไมกระบอกเพราะเป็นกระบอกสาธารนณะไม่ได้กระบอกส่วนตัวพิเศษถ้าเป็นกระบอกพิเศษเหลือไม่ได้นะพระวินัยท่านมีทั้งที่ผมเหลือไว้นียทุติผมนะพุ่งก็ะตาปฏิบัติตามพระวินัยขอนี้ ถ้ามาอยู่ในสาธานะผมจะเหลือไว้วนั้นไม่ได้เชื่อเชื่วมสาฐานะล้างแล้วต้องให้หมดอบอกน้ํานั้นจะเหลือไว้ไม่ได้ผิดพระวินัยคนนี้ตาบวบัตไนีมีข้อเวน้นเว้นไว้แต่ก็บอกนั้นเป็นของส่วนตัวถ้าเฉพาะตัวเหลือน้ํามไม่ได้มีพระวินัยคนนี้ใครเห็นแล้วเบี่ยงก็ตามมีอย่างนี้เราจําไม่ลืม เพราะการดูพายในแล้วดูซะจนขึ้นมาหยุดจนระยะนี้แหว่าสพชิขาไม่ทราบว่ากี่เที่ยวอะไรสําคัญสําคัญคัดลอกออกมาท่องปนญหานั้นนะมาหาขันภนะูพชิขาส่วนวินัยยมุกเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามก็ออกจากพภูพชิขามาหาขันนั่นแหละนี่ก็ประจํานักทำอยู่แล้วเป็นหลักสูตรอยู่แล้ว ถึเวลาพราะวินัยทอนจะถ่ายออกมากไปพูดให้ลูกศิกษย์ฟังเขาทำมือถือนี่ทำไมไม่รู้วินัยถ่ายซ่วมแล้วเหลือล้านเลยนะเขบอกให้ลูกศิกษย์ฟังพระวินัยทอนจะว่าให้ลูกศิกษย์ถ้าทำมก็ถืกมาอาจารย์ทังคุณทําไม่ถูกถ่ายท่วมแล้วเหลือล้าเลนเนก็บอกในสุดท้ายนก็ถึงอาจารย์ก็ถึงอาจารย์ ก, าารยก็ทะเลาะกัน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 แต่แด่าน้ดนแบบหนึ่งสเสด็จนีเขาไปอยู่ในป่าลไลยกับช่างแต่จำมันสาที่ป่าลไลยมีพวกญาติโยงเขารู้เรื่องรู้ราว่าพระทะเลาะกันพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้จำร่าอธิกรณ์นี้ยังไม่ยอมลงกันจนถึงพระพุทธเจ้าสเสด็จหนีไปอยู่ที่ป่า ล, ลายลย เรื่องมันก็แดงขึ้นอมาเขาก็ชี้หน้าพระทั้งสองฝ่ายพระทำมัก็ถกก็ดีพระวิญญาณทอดีสุดท้ายเขาก็มาเข้ามาใส่บาตรอมโพโต้ตัว ล, ล่าลงเล็กนิดเดียจะตายเขาไม่เคารพเขาไม่เริ่มใส้เขามาชี้หน้าด้วยไม่ใช่ธรรมดาเพามาเห็นโทษ จึงยอมโทษของคาละกันแล้วไปทูล菩 า, ษ า, ษาสดาเสด็จออกมาอย่งเช่นที่ข่าอยู่ที่มืงโกสัมพีองถึที่้มาทำละที่ก่อนยอมก่อนทำละเลยนั้นี้ถึงนาดนั้นนาตโดมเขาก็ยังจะไม่ส่บาตรโทมเนี่ยี้แจงอีปผลนห้เขาสรางเขาก็ยอมจึงได้ยอมลงเพราะเขาเชื่อศ า, าสดาถ้าเ ก, เก่งๆนั้นไม่เชื่อ เกือบเป็นเกือบตายเลยเขาไม่ เ, เข้าสบ่าให้กินตัวว่างไรนั่นแหละโทษแห่งความอวดดีมันเป็นอวดชั่วมันไม่ใช่อวดดีที่เรศมันหลอกว่าอวดมากว่าดีแต่หลับธรรมชานแล้วมันอวดชั่วเอาชั่วมากระจายมันก็เป็นไปอย่างนั้นผลแห่งความชั่วจะทําให้ชีบหายไปโปร่งไปหมดศาสดาก็ต้องมีเสด็จ น, นี้เข้าไปจำมันสาบิพิปายหรื อ, อไรไม่ในภาษานหนม่งมีแล้วในตำรา มีผมก็ไม่ค่อยเอามาเล่าให้ฟังฟังเิถ้าไม่มีเหตุมันก็ ล, ลืมไม่ได้่งที่เรียนมามากน้อย น, นอกจากมันมีเหตุมีอะไรมันก็ไปสัมผัสมันเป็นของหยิบของดีเมืงง่อไหร่คนหนึ่งผิดคนหนึ่งยังดีอยู่มันก็ไม่ทะเลาะกันตัน็รู้ว่าใครผิดใครลงในทะเลาะกันแล้วไม่มีใครถูกมันจะผิดท่าเดียวเท่านั้นยัง เรียกตัวใหญ่ๆวันนี้ยังบังคั้มันไม่ได้แล้วจะทำยังไงพวกท่านผมพูดด้วยความกระดใจผมนะไม่จะพูดธรรมดาวันนี้อ่อนเพียเต็มที่ยังบึกบึนมาถ้าหากว่ามันไม่ได้เรื่องแล้วผมจะหนีจากหมู่เพื่อนหนึ่งงานหนึ่งก็ไล่นี้หมดไม่ให้อยู่มันหนักใจมีสองอย่างเราอยู่ไหนอยู่ได้แล้วไม่คุยอยู่กับหมูกับคณะนี้ก็อยู่ด้วยความเมตตาสงสาร สมขอสงหาไม่ได้อยู่ด้วยความสมัครใจที่ใจเราเป็นคนวาสนาน้อยตั้งแต่ไหนแต่ใมาไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับใครต่อใครปฏิวัติที่ก้าีเต็มๆที่เคยพูดหมู่เพื่อนฝังนั้นผมไม่เคยเกี่ยวข้องกับใครเลยฟังเสร็จการก่อการสร้างก็ไม่มีคุดแต่ในหัวใจนีบระหว่างที่เหลยอกับทมจนจะเป็นแต่ตายเอาจิ้เอาจังไม่ไทาเล่นทำอะไร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 แล้ไม่ได้ป่วยอะไรนะั่นอทรมานตัวเองตัวมันเหลืองหมดก็แสดงว่าดีสั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะมันเอาหนักฝึเจ้าของไม่ได้สุ่ยเล่นๆนะฝึกจริงๆฝึกหนักจริงๆการแนะนํนาส อ, อ น, นสอนเพื่อนรู้ด่าว่าขาวนี้มันที่ปัติว๋วยังพูดแต่ปากสอนเจ้าของไม่ได้พูดแต่ปาก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 เอาถึงกรน้านนั้นเลผมไม่ได้นึกว่าจะมาในมาฟถูกเสีดสันต์ตันดงดอกให้เป็นครูเป็นอาจารย์นะวัถนาผมมันเป็นอย่างนั้นไม่ยุ่งกับใครไม่เกี่ยวกับใครอยู่ป่าอยู่เขาก็มีแต่พันเนี ล, ล, ลนุ่มลุ่มหลบนน่นเหลนนี่อยู่อย่างนั้นเพราะมันจะไม่สบายอยู่กับหมู่เพื่ออยู่เี่วกับเจ้าขอ ง, ของ ม, มันพอดีพอดีพอดีพอดีก็เจ้าขอทั้งๆที่อายุหนุนม่นมๆนั่น มันไม่เกี่ยวข้องกับใครแล้วมันก็มีอย่างนี้แนละ้ววันนั้นก็ลุมวันนี้ก็ลุมมุ่งระยะแม่ครัวจานมาร่าภาพลงไปตอนนั้นถ้าจะเกี่ยวกับมองหาตัวไม่เองนีแต่พรนเน้นลุมก็ตั้งแต่นั้นมาก็เลยอยู่ในเข้าป่าเขาเขาก็ลุมไปไปที่ไหนก็ไม่กี่วันละเดี๋ยวะผัวไปเยอะนั่นผัวไปเยอนี่ผัวไปเยอะแน่นป่าไปหมดเต็มป่าไปหมด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 ไม่ไวังอะไรแล้วในโลกนี้มันชัดอยู่ในหัวใจมันหมดหวังทุกอย่างแล้วความหวังอะไรๆมันก็หมดไปแล้วแม้ที่ถูกลู่แต่มันเต็มปากแม้แต่ความหวังมากผลิพันธ์มันก็หมดมันทั้งจริงหมายมั่นปันมือเอาเป็นับตายถ้าไหวทำดวงนี้แล้วขั้นแล้วมันก็หมดอยากไปไหนก็ไม่ไปอยากไปสวรรค์ก็ไม่ไม่อยากอยากให้ผมมาโลกก็ไม่อยากอยากไปนิพพานก็ไม่อยากมันหมด มันก็รู้ชัดๆอยู่อย่างนี้ในหัวใจเวลามันเป็นมันเป็นอย่างนั้นมันรู้อย่างนั้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นไม่อยากอะไรอืถ้าจะว่าคุยก็ว่าอยากไปนี่ผานนี่ผ่านก็ไม่อยากเสียแล้วอยู่โดยลําพังเจ้าของพอประคองลมหายใจไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอถึงกาลก็ทิ้งมันเสียเท่านั้นหมายอะไรกับมันหัวใอะไรกับมันก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าสีจีน้ําลงไฟมีเกยมเป็นดิน เต็มโลกกรถางอย่งนี้มันแปลกอะไรอยู่ในธาตุฐานขงเรานี้มาเป็นกายเป็นนิสมมสมบุติปันเฉยธรรมาชาติมันก็คือธาตุสีดินดดน้ํำลมไฟและอากาศธาตุกับความรู้ที่ครองตัวอยู่มันมีเท่านั้น <c oughs> ไ, ดได้อะไรเรียนทำไม่เรียนสิงเหล่านี้ให้รอบตัวจะเรียนอะไรรู้ทําก็ต้องรู้สิ่งเหล่านี้รอบตัวแล้วก็รอบจิตนะแล้วมันจะไปหวังอะไรอีกแล้วมันพอแล้วมันก็รู้เองด้วยกันทุกคน เมื่บบสุดท้ายก็ถูกลุมมากต่อมากเป็นอย่างที่เห็นนี่น้มน้ำมันมากเป็นทุกวันทุกวันหนิมทุกวันนี่เรื่อสุขภาพอ่อนลงอ่อนลงพาลายุ่งมากขึ้นมากขึ้นอันนี้จิตมันหดไปหมดแล้วนะมันไม่เหมือนแต่ก่อนให้นําสั่งสอนกายใจพอไปอยังไปให้แต่ก่อนแตวนี่หดเข้าหดเข้า อยู่ในวัดก็ดูลําพังคนเดียวก็พอดีให้ไปยุ่งนั่นนั้นแบบซุนะ่มให้ไปเกี่ยวข้องมันถอนออกมาถอนออกมามเพื่อนเขาหนาเห็นใจทุกละหมากร้านนั้นพยายามประคองตัวมีทำไม่ประคองไว้ถางขนาดนี้มันไปมานั่นนะผมพูดตรงๆพอรู้มันจะไปก็รู้อยู่นี่ เคยพูดในฟังแล้วทำไมจะไม่รู้มันเป็นอยู่ขับเจ้าของโลกหัวใจเนี่ยสำคัญมากแต่ก่อนมันก็ถึงขึ้นถึงแค่เก้าแปดเปอร์เซ็นโลกหัวใจพอโลกหอบเสริมก็ามาต้านั้นมันถึงเก้าเก้าฟังซิมันเหลือเปอร์เซ็นเดียวที่มันจะออก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 ตอนมันไปก็คือปล่อยแล้วนต่มันเป็นมาแล้วถ้าปล่อยมันก็ไปยางยิงเห็นได้ชัดจริงขนาดลมหายใจไม่มีมันหอบพุ่งพุ่งุ่งุ่งเหมือนลูกไฟลูนไฟดอ ก, กอะไรเขารอะไรออกขึ้นมาทางนี้หมดแล้วทางข้างล่างลมหายใจไม่มีเลยแต่ความรู้มันมีอยู่ภายในนั่ น, นบังคับกันไม่ทิ่มัน เรอมาลมหายใจเราก็จะปรากฏขึ้นถ้าปล่อยตั้วแต่ขนาดนั้นมันก็ไปนี่หมาวาม่ามันตายง่ายขนาดนะนั้นเนี่ยเก้าจุดเก้าปอเซ็นนี่กีันลั่งเท่านั้นพอหยุดลั่งก็ไปเลยถ้าปล่อยแล้วก็ไปเลยเลยเนี่ยมาถึงเก้าเ้าเปอร์เซ็นเช่นเดียวกับที่ว่าถ่ายท้องเขามันนะมาเป็น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 ลีรั้งไว้ก็เพื่ออะไรเพื่อมูอเพื่อเพื่อนมันเองไม่เพื่อเจ้าของเจ้าของนี่ไม่เสียดายไปเมื่อไหร่ได้ไม่เคยเสียดายเพราะเป็นความจริงด้วยกันทุกสัตว์ทุกส่วนธาตุฐานก็เป็นความจริงแต่ละอย่างนั่นอย่างใจก็เป็นความจริงตามธรรมชาติของตัวนั้นไปขัดไปแย้งกันหาอะไรไม่มีอะไรจะขัดแย้งกันธาตุต่างอันต่างจริงหรือใจนั่นแหละจริงก็ก่อน สิ่งทั้งหลายเขากินอยู่แล้วแต่ใจมันไม่รอบมันก็ไปเสียดสันปั่นดรอว่านั่นเป็นนั้นนี่เป็นพอมันรอบตัวแล้วมันก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขากินอยู่แล้วไม่กินจะเข้าใจบัดนี้ใจจริงแล้วเหรือหนันมันก็รู้แต่ใจันจริงเต็มส่วนแล้วมันก็อดกีดกัดที่แยกกันอยู่ก็ได้ตาก็ได้มีน้ำหนักเท่ากันไม่หนักไม่เบาเท่ากัน เห็นไหมอำนาจของที่เหนท่านหาดูาสิแล้วเขจิวัตธรรมมันยังเป็นมาได้ยังนี้ถ้ายังไม่ยอมเห็นโทษอยู่แล้วก็หมดกันนะต่อไปจะมีครูมีการอ์จะมีใครเก่งกว่าเราสุทา้าก็จะมีใครเร็วกว่าเราแล้วเกินกับเร็วมันจะไปด้วยกันมีพรูแล้วฟังทุกแง่ทุกมุม เรงคนมายาของดิเรกที่มันฉลาดแหลมคมมันรวดเร็วพูดหมดอืปติสตังทพันดาของสิทันมันก็ไม่ทันปล่อยมันออกมาเหยียบย่ำทําลายและกระจายไปทุกอย่างทุกหนได้อย่างเห็นนี้นะมันเร็วไหมดิเรกมาตลอดเห็นแล้วยังความรวดเร็วของมันตามมันทันเมื่อไหร่ถ้าตามทันไม่ทะเลาะกันนั่นเรากรหาอะไร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 เรื่องเกี่ยวไปหมู่กับเพื่อนได้ยัมันต้องคิดอย่างเต็มหัวใจนั่นแหละแต่มันจำเป็นก็ต้องไปพืนอยู่มันก็ยืมสุดลงทุดลงอยากกินมันก็ต้องฉันไปดูมันจะเป็นยังไงอันนี้มันก็มีหอบหายใจยาวหายใจยาวอยู่เรื่อยเหมือนกันมันเป็นน้ามันเองนะบางทีอยู่ๆหายใจฟู่ฟาสทีหนึ่งแล้วก็เหยียด อยู่ๆหาใจฟูฟ้าสักทีให้หายใจยาวมันเป็นน้ำันเองนอนหรือนอนพักจิตน่พักจิตพักทาตพักขันมาโดยมานั่งนอนภาวนาต่า่างเพราะมีกำลังเม่เสีนท้องเราเมือ่อคืนข้าวนี้ดูท่านหันได้บ้าง ชางรู้จุดได้ประวัติแต่ให้มันอยากมันไม่อยากนะถ้ามันมีอยากมีสัมปันนิดหนึ่งมันทานได้แล้วไม่ต้องสงสัยมันที่สคัญมันเฉยเฉยมากเฉยน้อยจากนั้นก็ฝืนถ้าฝืนคือเบื่ออาหารหมดมองอาหารเหมือนเป็นข้าสึกถ้าอย่างนั้นทานไม่ได้ เ้าฝืนมันคำต้องคำมันอ่อนแล้วถ้าเราขืนต่อไปอีกนั่นมันก็อาจเจียนกาอาจเจียนยิ่งรุนแรงมากหมดเดี่ยวหมดแรงไปหมดดีไม่ ด, ดีสลบไปเป็นไรนต้องระวังมันคีคูเดียวเราไม่กี่ครั้งกี่คนวามันอ่อนมันไม่อ่อน ฉันงานเขนว่าพอได้อยู่่เช้านี่แต่้องานทาไมมันอ่อนทบคข์กนะคนมหากพูบคำสคํคำมั่นพูดมากอันท่าไรพระเดี๋ยวนี้วันนี้ท่าไรพระสามสิบนสี่น้ยมไสามสิบนสเต็มดุง ไม่ใช่ลืมทางยุ่งกงกันหมดแล้วเลยมนาะอยู่นานๆก็ไม่เห็นทางยนะุ่งเห็นแต่เสือแต่มาดูนานก็ไปยิ่งประมาทเห็นทำไมอึดนาละอาใจเรียกอ้แนะนำจังสอนเพื่อให้ดีให้ดีอันนี้วงปฏิบัติมันจะไม่มีเหลือแล้วนะไหนหนะดูอย่างเร็วๆต่อไป นี่อไรกัเอาแต่วัตถุออกหน้าออกตาวัตถุแบบโลกโลกเ็ามาแข่งศาสนาแขงอัดแข่งทมทางยังคมก็ไม่เห็นภาวนาก็มันมีถ้าลงเกี่ยวก็สริงอย่างนี้แล้วเราก็มาขอสร้างคุณให้อีกเพราะคุณดินกายนี่ ย, ยมาทำหาอะไร มันไม่สบายใจเพรามาสร้างกุฏิให้น้าว่มีมันสบายใจแล้วน้าแต่ขนาดกุฏิหลังนี้ก็ละอาย่ายองเขาอยู่แล้ ว, วเขาอยู่กระท่อมกระแจตามบ้านทันเลยเขยังหาข้าวมาให้เรากินได้เราเป็นคนขอทานกุฏิรู้ราาขนาดนี้จะหาอะไรอีกจะมาสร้างหอปราส า, าทราชธรรมเทือนเป็นไรในวัดไนว่า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 ปูจาไม่ไผ่เป็นฝ้าปูดันด้วยฟางมันด้วยยาเอาน่างนั้นพังไปสามหลังหลังที่สี่ถึงได้ปูอย่งนี้ขึ้นมาเพราะปวกกินต้นเสาล่มดงปูใหม่ เมตรห้าสิบจะเหลียงห น, นึ่งเมตรองคบด้วยาเขาไปเห็นแล้วก็าล่องผมล่่องไห้พอพราบว่าเป็นกุฏิของเราอลังจากนั้นเขาก็มาต่อว่าเรากิีชลากับคนมากๆมาต่อว่าแล้วยังร่องไห้อีกด้วย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 อันนี้ขนาดนี้นะทําไมจะอยู่ไม่ได้ท ำ, มำาม้องการกว้างๆเขาอยู่ทุ่งอยุทยายังเนี่ยประวัติเขาไม่ยอมที่กลับไปก็ส่งเงินกลุ่มที่เราไม่มีข้อสั่งเสียไม่มีพ่อแม่อะไรไว้ก็ส่งกลับื้นก็เหมือนประชดกนันนี่เรื่องฝืนปลูกนะเรื่องมันเป็นองนั้นนะใครไม่ทราบก็ให้ทราบเสีย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 ไม่ต่างแม้าระทัไหนมันจะไปรู้หลาญกว่าวัดป่ามันต่างคือเรื่องความรู้หลาของวัตถุแข็งโลกเขานั่นแต่ธรรมมันจะแห้งผ่าขนาดไหนนั่นทีเรารับรองถ้าลงวัตถุรู้หลาธรรมต้องยุบยอดเปหมดจะไม่มี อยู่ที่ไหนอยู่ไปท่านยังกรมนมึเป็นเหวเป็นอไร น, นั่นหหลาทำใจเลยพระพุทธเจ้าสาวท่านดำเนินอย่างนั้นท่านไม่ละวัตถุกออกหน้าออกตาอะไรนี่อืูที่ไหนไมีแต่เรื่องก่อสร้างถือเป็นไหญ่เป็นโตเป็นหลักศาสนาใหญ่โตเที่ยวเหอแข่งกั น, นว่าอาธทรไม่เคยสนใจจะมาสร้างตัวให้มี ก็แข่งกับกิเลสสอนโลกใั้มันไม้เขาขอขอเข้าใจจี่ว่าต้องศาสนาต้องอานต้องทำบ้าง ม, มันไม่สนใจวัดกับบ้านดยเหมือนกันเลวกว่ บ, บ้านไปอีกพ้ากับคลวะาเหมือนกันเลวกว่าเขาไปอีกนั่นทาวัดเป็นสานที่เสียสะละกายเป็นปานที่สั่งสมขึ้นมานนนนเห็นแต่ตัวเห็นแก่ได้ขึ้นมา นัดทำจะเกิดได้ยังไงทำจะเกิดได้เพราะความเห็นแก่ตัวเพราะความโลภได้ยังไงฟังดิทำต้องเสียสละถึงจะเกิดได้มีลราเรายังเหนี่ยจนป่วยอย่าง น, นี้เราถึงไม่ให้สร้างเราบอกสร้างไปทาไมเราไม่สมายใจ น, นะ พูดกันมากี่ครั้งกี่วันแล้วเราพูดด้วยเด้วยผลห้ามด้วยเด้วยผลทั้นั้นเปิดเต็มที่บอกว่าเราไมไ่สบายด้วยาการสร้างวัตีุให้เราแต่เราสบายก็เราอยู่สภาพนี้น ะ, ะบอกนะั้นถ้าต้องการให้เราสบายก็อย่าดมุมีใครถามแล้วเพาว่าพระอาวมีคนมาทาท่านบรรณาแม่แต่มหากระตากท่านจะ ม, ม, มา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 ก็พูดอย่างนั้นด้วย <_ d ata> บอก็เราไม่เอาบอกงั้นเลยเรายอมรับนั่นแหลววะพระนี่เขาก็จะมาทําใหม่มาทําใหม่ให้เขาก็ไม่เอาตีเถดานนันก็เราก็ไม่ตีนย่างนี้มันเหมาะแล้วพอดีแล้วหาอะไรอีมันโกู้ไปอะไรเรื่องโลกโลกมันโกหกอยู่ภายในหวัวใจที่ แสงสสว่างกรจ่างแย้งอยู่รายานใจนั่นของอาจารย์นุนตรงนั้นต่างหากไม่อยู่กับเห็นกับชายกับอีกกับปูนกับเหล็กหลาอะไรอยู่กับธรรมต่ า, างหาทธรรมกมกืนกับใจแล้วใจกับธรรมต่ า, างหากพระสหลิยนหลาทาพออยู่ได้พอ ไปตื่นอะไรกับโลกเขาโลกก็รู้แล้วว่าโลกถ้าโลกก็ทําเป็นเดียวกันจะมาแยกพูดทำไมว่าโลกว่านรรมไม่เหมือนกันเลยรืวัดกับบ้านยังไม่เหมือนกันได้ไย น, นี่ห้ามกานนี้จะลงใจอะไรที่การมันจะเทือนหัวใจนะนว่าพูดอย่างนี้อย่างนี้แะ เราไม่ขัดหัวใจเราไมนกระเทือนเราไม่อยากไม่ขัดทำพอเราทำจะเลยรุ่งเรืองอยู่ไหนอยู่ได้เพ้านั่นเนี่ยเราเราบอกผมแล้วเดินไปยจวกี่ครั้งถ้าจะเอาวัานนี้นะ่ะไม่ใช่คุยนะแล้วมีสบายแล้วดนมาทํำไม่ะ ร ถ, ถเต็มแผ่นดินจะขึ้นรถคันไหนลูกศิษคนไหนเขาห้าเหมเสมอเขาอยากให้ขึ้นรถเขาหนึน่แล้วมีเหตุมีผลทุก อ, อย่างห้ามอะไรถ้าห้ามาอะไรหารอไม่ใช่ขลังว่านี่เป็นเรื่องของโลกเขาใช้กันถ้าเป็นเสียงอาใช้เป็นความสะดวกของออ เ, ขเขาไรอย่างนั้นแต่ว่าเป็นเรื่อเป็นหนังเป็นตัวของตัวเป็น เจ้าของโรคของยาขึ้นมามันก็เหมือนโรคของที่เห็ว่าเขาจะเข้ามาเราห้ามมานา น, นานแล้วตั้งใจายงไปฟ้านี้นย่อนเขาจะขอเข้ามาทั้แต่เกือบยี่สิบปีแล้วถ้า น, นุญามันกับไปซ้ายไ่เข้ามาก่อนบ้านนี้นไปไหนอะไรนานเท่าไหร่นนแล้วเราก็ไม่เอาเราก็คิดแล้ว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 ถิงถี่มันแอบแฝงเข้ามาี่ตามให้เข้ามาให้วัดเสียมีอะไรบ้างมาพม่เ้อเห่เหวมกันกามวาเนี่ยเรื่อเรื่อเรือไปหมดไม่ทราบว่ามิจฉุโทรทัศตู้เย็นน่มันจะแอบตามกันมาเรื่องอะไรเสียก้อยฟ้ามันจะตามเข้ามาหมือนนั่นเให้นีก็ไม่เห็นมีอะไรจำเป็ อาจจะดูนังสือกับไฟเทียนนอกก็มีเหมือนกวนมากกลางคืนนั้นเป็นเรื่องเป็นอวลาภาวนาถ้าจะดูก็ดูช่วงวันดูหนังสือหนัดคล้อ ง, องสงสัยตรงไหนก็เปิดดูกลางคืนก็มีเอารองข้างหน้าต่างตาภหวนานี่จเป็นอะไรตไปฟ้ปามีไฟฟ้ า, สาแล้วตู้เย็นมันจะม า, ม า, านเลยกลายเป็ะตู้เย็นไปหมดแล้วเอามือนล้านราบานมาได้ เราร้องไห้โฮๆล่ะเห็นว่าลำบากเราคิดไดหมดแล้วเรื่องมันจะตามวันมาเดี๋ยวโทรศัพท์กำลังวาติดขึ้นอีกแต่ไม่มีใบข้ามเัยนโทรศัพท์มาโทรศัพท์มาก็ต้องเอาใบข้ามาไงเราขอสองครั้งอล้วนะในหลวงรับสั่งมาป็นผู้ว่ามาอีกต่อเราจะขอ ตั้งโทรศัพท์ที่ว่าเพื่อการติด ต, ต, ต, ต่อสะดว ก, กเท่าเดี๋ยวกับเ่องงานการเราก็ไม่เอาเพราะผลประโยชน์ที่จะได้มันยังนิดเดียวผลที่เสียที่ตามมานี้มันมากกว่ามากคำพ น, านาันไมนจบไม่สิ้ น, สนเลยสมควรท่จะมาสร้างแรกไม่เอา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 จะโทรไปห น, นก็โทเดี๋ยวว่าจะทัง น, นอกสะโทรก็มาเลยทังงนันน้่ก็เป็นบ้าไปเลยอย่างโทรแบบฟังซินี่เดี๋ยวกำนัลหลวงเป็นปีๆเดือนๆทีจะเลยโทรสทีหนึ่งนี่เราก็ให้หผลกับผู้ว่าก็อุดรกับนีม่มาเห็นใจกันนี่หเห็นผลอะไรมีความจำเป็นอะไ ร, ะรก็ยื่งรถบัตู่เดียวก็ มันก็ได้ไม่เห็นจะต้องขอความอนุยาตให้วาสนาตลอดเวลาไปเพราะการมีโทรศัพท์ระวางนั่นในฝนของควาการมีโทรศัพท์เป็นความยุ่าหายาำมาผ้าเนี่ยมันจะขึ้นขนองไม่หยุดว่างไม่เลยอีกระวังตลอดเพราะเรารักษาศานาไม่ว่างได้ใครก็ลรเงินใช้ก็จะตายใจไปไกลเรื่องของเขาท่าง เรื่องของเราเรื่องของเรามันคนละเรื่องแต่มาค้าขายกันทำไมขอให้เราเต็มภูมิในหัวใจถอยู่ไหนก็พอตัวพอตัวได้ววเวลาใคาจะเรื่องถสเรื่องใส่ไม่มีวิตกวิจารก็ไปเมื่อเจ้าขอหาความวิตกวิจารหาความจำอยู่ตีเกนตันเองไม่ได้แล้วมันพออยูน่นี้สมบูรณ์อยู่นี้แล้วมันก็อยู่ได้สบายเลย เพาะมันพออยู่เรื่องความพอมันอยู่ในความมีหนูมีมชคิดอย่างนั้นทุกเรื่องทุกอย่างเราคิดด้วยเหตุผลนั่นแหละไม่ว่าจะอนุญาตไม่ว่าจะห้า ม, มเรามีผลขเราทุกอย่างเราให้ค้างมาวางั้นเลยถ้าเหนื่อนี้เรายอมรับตามตามถ้าเราเหนือน่อยแล้วเราไม่ทำแล้่เหตุผลไหนมันก็ไม่เห น, นื่อยจริ มันทุนนิรอศตัวมาเรื่อยๆแา่มันตกไปเรื่อยๆก็เหตุผลเราเหนือก ว, ว่มันค่เราไม่ที่ถี่มานะไม่มาทำนะเราต้องทำเหตุผ ล, ลรักษาศาสนาเราต้องรักษาด้วยเหตุผลอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดกับวาศาสนาถ้าเน้นก็ต้องมีเหตุมีผลด้วยทแบบของเราได้เลย ยิจิตใจเรแล้วย่มีตัววิการประมุขเพื่อนเพระมันมีอะไรเหนียวแน่นั่ น, นคงฉลาดแลลมคมยิง่งกว่าเดีนี่เลยแลาวๆก็ไม่ทันมันเรากไม่อยอมมาตางไหนมเพราะมันเคยฟัดกมาแล้วหนึ่งมันจะคุยไงโอ้โหหือเนี่กล้าพูดเต็มปากเลยเดียวในชีวิตนี้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 ต่อยได้เหมือนกันครัั่งหวยต่อยกันนนัะเมื่อต่างคนต่างจ้องแต่กันอยู่แล้ว ม, นมวนนันมีเวลาต่อยกันันได้นี่เถามีเวลาต่อยกันได้ธมื่อท่านจิตมันสงบพอจิตสงบแล้วสบายจิตไม่วุ่นวายเห็นคุณค่าของความสงบเล่นความเปลี่ยนหนักเข้าห น, นักเข้า คนเฉื่อมไม่ต้องพูดแล้วพ่อเคยแล้วนะักข้าวจน ข, ขนาดที่ว่ามีตายตอนนั้นเรื่องจิตจะเสื่อมไปอีกเป็นไปไม่ได้ความ น, นันเลยจิตเสื่อมเมื่อไรเราต้องตายไม่มันจะตายแบบไหนก็นไม่รู้นะมันหักเด็ดใช่ขนาดนั้นพ่อเห็นโทษเราเลอเกินจิเตเสื่อมนั่งไม่เหมือนนั่งในกองเพิงเนี่ย แต่ก่อนเราไม่ได้ความถูกความสบายเราไมมีอะไรเทียบเทียมกันนี่กี่ทั้งเราเป็นสมาธิแน่นเป็นผลแล้วไปเสริมันไม่มีอะไรเหลือติดตัวนี่ใหม่มันทุกข์มากจนะริงๆนะมเที่ยวกับเราเคยมีเงินเป็นล้านๆแต่ไปล่มโจมไปด้วยเหตุใดเหตุนหนึ่งยังเหลือเงินอยู่ในบ้านเป็นแสนแสนก็ตามเงินที่เหลืออยู่ในบ้านเป็นแต่แสนนี่ไม่มีความหมายยิ่งกว่าเงินที่สูญเสียไป เพราะเตออ่างๆเป็นนั่นๆนั่นเลยนั่ น, น, น, น, นขนาดนั้นของความเสียใจแล้วมาสานกระติบสานหวดสานตะก้าขายเอาเงินนั้นๆมามันได้เลยนอย่างหนึ่งก็อ่อนใจคนเราฟาดกันทุกวิถีทางทั้งเสียเนยทั้งคืนแล้วเคยเทีนยนแล้วทามันขึ้นได้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 สติปัญญาตุณมันนี่นกิจเนื้องกายเป็นโรงงานสร้างทําขึ้นมาแล้วเป็นเองอยู่ไหนก็าตามมันจะหมุนติวติวติวตลอดในที่สุดฉันหันอยู่มันก็ไม่ได้อยู่กับรถกับชาติมันจะหมุนในตัวของมันอยู่ตลอดอมันเผื่อได้ยังไงเมื่อไปน้อยความก็เพื่มไม่ก็เพิ่มมันเป็นการปลุกสติตลอดเวลายิ่งความก็เพิ่มไปแล้ ว, ลวความคิด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 เป็นเมื่อไรตายเมื่อไหรไม่มีปัญหาหลวงเนี่ยเป็นอคุปปะอย่างสมบูรณ์เนี่ยไม่คําริบหมดทางไมเร็วไม่รู้เองนี่ <c oughs> ตัววิจารณ์กัหมูกับเพื่อนเนี่ยอิจฉาฟัน น, นันแดกับพี่เรศเอาแชาลงไปปัรดาหมุนในทานในขันของเราแยกแยกดูกันเอนความจริงมันเป็นความจริงมาดั้งเดิมอยู่แล้ว มันจะกิเลสเสกสรรนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปัญญาพัดลงไปแต่ความเสกสรรได้แล้วฆ่าตัวเสกสรรได้แล้วข่าแล้วหมดหนมนี่จะว่ามีก็มีจะว่าอะไรมายุ่งกับเราเราไม่ยุ่งนอกจากขันไปยุ่งกับเขาคิดว่านั่นเป็นนั้นอันนี้เป็นนีไปยุ่งเขาเขาถ้าอันนี้ไม่ไปยุ่งเแค่อย่างเดียวปกติทุกอย่าง โลกมีเหมือนไม่มีพราะเราไม่ยุ่งแง่กินตรงเดียวนี้ไปยุ่งกินตรงเดียวนี้ไปหลงกิตตรงเดียวนี้รู้เฉพาะตัวแล้วไม่มีใครไปยึดไปหลงคำวาว่าดุง้งดุ้งยิ่งก็ว่าไปตามเรื่องของขันเพราะสิ่งเห น, นี้มันควรขันไอ้คิดตรงนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องของขันแล้วก็ไปควรขันแล้วก็ทำลายขันไปในตัวเหมือนตายผ่อนไปเลื่อยๆไ ป, ปยุ่ง ม, งมากๆ ส่วนจิตอันนั้นอราจะเอาอะไรไปทำ ร, ร้ายให้ลูกเขเห็นเข้าหัรู้เองท่านที่ติโครประกาศตั้งวนันตลอดเขาจะพยายามไปกี่ร้านกี่โอมก็ตามกี่เวลาเวลาก็ตามไม่ไดเข้ามาเกี่ยวข้องกันเลยกับคำว่าสันติติโคของผู้ปฏิบัติที่เห่งเองเพราะความจริงมันเหมือนกันหมดนิพผานไปกี่ปีกี่เดือนก็เป็นเรื่องสมมุติความจริง อันนี้มันจะเป็นอย่างนั้นสันที่ดิโก้สันที่ดิโ ก, โก้เลิกกันละเหนื่อยล ะ, ละผมก็บืนไม้เฉยนั่นนะ